อกกันตะสังยุทธจักขบสูตรว่าด้วยจักขบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักขบคือตาไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะด้วยอาการอื่นโสตะคือหูคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกาย และมโนคือใจไม่เที่ยงมีความแปลพันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าาลงสู่อริยมรตอย่างลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปติผลภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรคอย่างลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทาแล้วไปเกิดในนรกกาเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโซนาปฏิผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าสัทธานุสาวรีคือผู้ลล่นไปตามศรัทธาท่านผู้ปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิผลมีศรัทธาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นศรัทธาวิมุตติธรรมานุสาวรีหมายถึงผู้ลล่นไปตามธรรม ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิผลมีปัญญาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปัตตะสำหรับวักนี้มีทั้งหมดสิบสูตรนะครับเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมดในยะเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนจากจากักขูกเป็นต้นนั้นเป็นรูปเวทนาสัทธะคือเสียงคันทะคือกลิ่นรสะคือรส ปพธะพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นจักขวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาโสตะวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคานวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายและมนโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นจักขูดสัมผัสความกระทบทางตาโสตะสัมผัสความกระทบทางหูคานะสัมผัส ความกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นกายสัมผัสความกระทบทางกายและมโนสัมผัสความกระทบทางใจล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นจากขูบสัมผัสสัจชาวเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตาโสตสัมผัสสัจชาวเวทนา ว เ, เวท น, นาเกิดจากสัมผัสทางหูคานาสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัชาเวทนาเวท น, นาเกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกายและมโนสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่นรูปสัญญาความจำได้หมายรู้ในรูปสัตสัญญาความจำได้หมายรู้ในเสียงคันสัญญาความจำได้หมายรู้ในกลิ่นรสสัญญาความจำได้หมายรู้ในรสผดทพสัญญาความจำได้หมายรู้ในผดภพและธรรมสัญญา ความจำได้หมายรู้ในธรรมารมล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นรูปสันเจตนาความจำานงรูปสัท ธ, ธสันเจตนาความจำานงเสียงจนถึงธรรมสันเจตนาความจำานงธรมรมารมล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่น รูปปัญหาความทยานอยากในรูปสัตตันหาความทยานอยากในเสียงจนถึงธรรมตันหาความทยานอยากในธรรมารมลวนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟวายโยธาตุ คือธาตุลมอากาศาธาตุธาตุคืออากาศวิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นและพระสูตรสุดท้ายว่าด้วยเรื่องของขันขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนไม่เที่ยง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 ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพลภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าาลงสู่อริยมรรอย่างลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำล้าไปเกิดในนรก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 สำหรับคำว่าไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโซดาปฏิผลนั้นข้อนี้คือพระอริยะเบื้องต้นได้แก่โซดาปฏิมักนะครับและบรรลุต่อมาคือโซดาปฏิผลพระอริยะรวมสี่คู่แปดจำพวกตั้งแต่โซดาปฏิมักโซดาปฏิพลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมัก และอรหัตผลจบอกกันตักสังยุตอุปาทะสังยุตสำหรับวักนี้ก็เช่นเดียวกับวักที่แล้วนะครับเป็นการประมวลธรรมะในหมวดเดียวกันมารวมกันเนื้อความจะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนมูลเหตุที่กล่าวถึงต่างกันดังนี้ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจกักขุคือตานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะและโดยนัยเดียวกัน ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งโสตะคือหูขานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนโคือใจนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและโมระภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งจักขูกคือตา นี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งโสตะขานะชิวหากายและมโนนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความปรากฏแห่งรูป แห่งสัตะคือเสียงแห่งคันธะคือกลิน่นแห่งรสะคือรสแห่งปวดทพะคือการถูกต้องสัมผัสทางกายและทมอารมณคืออารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะส่วนความดับความสงบระงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นนี้เป็นความดับแห่งทุกข์และโดยในยะเดียวกันทั้งหมดทุกประสูตยนะครับความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจกักรคุวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความเกิดขึ้นแห่งจกักขคุสัมผัสจนถึงมโนสัมผัส ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักขู่สัมผัสสชาเวทนาจนถึงมโนสัมผัสสชาเวทนาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญญาจนถึงธรรมสัญญาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญเจตนาจนถึงมโนสัญเจตนาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปปัญหาจนถึงธรรมตัญหา ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดทุกประการ น, นั้นเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้ของทุกประการที่กล่าวมานั้นนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสิ่งเหล่านั้นกิเลสสังยุดภิกษุทั้งหลาย ฉันทราคะเนจกขุคือตานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะเนโสตาคือหูในคานะคือจมูกในชิวหาคือลิ้นในกายและมโนคือใจนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตเมื่อใดภิกษุละความเศร้ามองแห่งจิตในฐานะหกประการ น, นี้ได้เมื่อนั้น จิตของเธอที่น้อมไปในเนคขมมะในที่นี้คือโลอุตระธรรม9ก้าประการได้แก่มรีผลสีและนิพพานอันเนคขมมะอบรมแล้วควรแกการงานปรากฏในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอนันรู้ยิง่งและโดยนยะเดียวกันฉันทราคะในรูปสัทธ คันทะรสะโธฏภะและธรรมารมณ์นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในจักข่วิญญาณจนถึงมโนวิญญาณเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในจักขรสัมผัสสชาเวทนาจนถึงในมโนสัมผัสสชาเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในรูปสัญญา จนถึงธรรมสัญญานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในรูปปสันเจตนาจนถึงฉันทราคะในธรรมสันเจตนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในรูปปตตันหาจนถึงธรรมตันหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในปัตวีธาต์จนถึงวิญญาธาต์ นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตชันธราคะในรูปจนถึงชันธราคะในวิญญาณนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะแต่ละหกประการ น, นั้นได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนคขมะอันเนคขมะอบรมแล้วควรแก่การงาน ปรากฏในธรรมะที่กวรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอนันรู้ยิ่งสาวรีปุตตะสั่งยุตวิเวกัชสูตรว่าด้วยปฐมฌานมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกสมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น ท่านพระานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าทำไมท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าวันนี้ผมสั ง, งัดจากกรารและอาคุศ ล, ละธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ผมนั้นไม่ได้คิดว่า เราเข้าปฐมฌานอยู <the at> <the at> ่หรือเข้าปฐมฌานแล้วหรือออกจากปฐมฌานแล้วข้อนี้คือท่านพระสาวรีบุตรถอนอาหางการมัมมังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วฉะนั้นท่านพระสาวรีบุตรจึงไม่คิดว่าเราเข้าปฐมฌานอยู่หรือเข้าปฐมฌานแล้วหรือออกจากปฐมฌานแล้ว สำหรับพระสูตรต่อไปในวันนี้เรื่องโดยเนยะเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนจากปฐมฌานเป็นทุติยฌานและฌานอื่นๆดังนี้นะครับเมื่อถูกถามแต่ละครั้งพระสาวรีบุตรตอบคำถามแต่ละครั้งเรียงลำดับดังนี้ผมเข้าทุติยฌานมีความพองใสในจิตภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ว่าด้วยตติยะฌานที่มีปีติเพราะปีติจางคลายไปวันนี้ผมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและ ส, สุขด้วยนามกายอยู่เข้าตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข ว่าด้วยจตุทถาฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเพราะลาสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ววันนี้ผมเข้าจตุทถาฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ว่าด้วยอากาสานันจายตนะฌานวันนี้ผมเข้าอากาสาร น, นจายตนะฌาน คือฌานอันกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์เพราะลงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงวันนี้ผมล่วงอากาศสาร น, นัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเขาวิญญาณ น, นัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ ผมล่วงวิญญาณัญจายตนาชาโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญาญตนาชาดโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์วันนี้ผมล่วงวิญญาณัญจายตนาชาโดยประการทั้งปวงเข้าอกินจัญญาญตนาชาดโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์วันนี้ผมล่วงวิญญาณัญจายตนาชาโดยประการทั้งปวง เข้าในวาสัญญานาสัญญายตนญญาชาญคือภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ในการถามตอบแต่ละครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรสรุปว่าท่านไม่ได้คิดว่าเรากำลังเข้าฌานหรือสมาบัตินั้นอยู่หรือเข้าฌานหรือสมาบัติแล้วหรือออกจากฌานหรือสมาบัตินั้นแล้วและโดยในยะเดียวกัน ว่าด้วยนิโรธาสมาบัติท่านพระอานนท์ถามท่านพระสาวรีบุตรว่าอินทรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านสาวรีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าวันนี้ผมล่วงเนวสัญญานาสัญญายัตนาชาโดยประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธคือสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา ผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่หรือเข้าสัญญาเวทอิตะนิโรธแล้วหรือว่าออกจากสัญญาเวทอิตะนิโรธแล้วเรื่องนี้อันที่จริงเพราะว่าท่านพระสารีบุตรถอนอาหารการ ม, มังการและมานานุสัยออกได้นานแล้วคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์นานแล้วฉะนั้นท่านจึงไม่คิดว่า เราเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่หรือเข้าสัญญาเวทาตะนิโรธแล้วหรือออกจากสัญญาเวทาตะนิโรธแล้วสุจิมุขีสูตรว่าด้วยสุจิมุขีปริภาชิกาสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชฤกษ์ รั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรเข้าไปบินธบาตอย่างกรุงราชคฤื้อาศัยเชิงฟ้าแห่งหนึ่งชั้นบินธบาตนั้นครั้งนั้นปริพาชิกาชื่อสุจิมุกขีเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วสนทนากันดังนี้ถามว่าทําไมท่านจึงกุมหน้าฉันเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าน้องหญิง เราไม่ได้ก้มหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือตอบว่าไม่ท่านมองดูทิศใหญ่ฉันหรือตอบว่าไม่ท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือท่านก้มหน้าฉันท่านเงยหน้าฉันท่านมองดูทิศใหญ่ฉันท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือตอบว่าไม่ทั้งหมดครั้งนั้นสุจิมุขี ได้รับคําตอบเช่นนั้นจึงถามกลับว่าเราถามอย่างไรท่านก็ตอบว่าไม่ถ้าอย่างนั้นก็บัดนี้ท่านฉันอย่างไรเล่าท่านพระสาวเรบุตรตอบว่าน้องหญิงก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเพราะดีรัชฐานวิชาคือวิชาที่ขวางทางไปสู่สวรรค์และนิพพานคือวิชาดูพื้นที่ สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่าก้มหน้าฉันข้อนี้คือการก้มมองพื้นที่นะครับสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัตชานวิชาคือวิชาดูดาวดูฤกษ์สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่าเงยหน้าฉันข้อนี้คือการเปรียบเทียบการเงยหน้ามองดูดวงดาวนะครับ สมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่านึงเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูอวัยวะสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่ามองดูทิศน้อยชันสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่ามองดูทิศใหญ่ฉัน สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพระเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูอวัยวะสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่ามองดูทิศน้อยชันน้องหญิงเรานั้นไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเหล่านั้นแต่เราสแสวงหาภิกษาโดยชอบทำแล้วจึงฉัน ลำดับนั้นสุจิมุกขีปริพาชิกาเข้าไปในกรุงราชฤกษ์แล้วประกาศตามถนนสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่งตามตรอกหนึ่งไปยังอีกตรอกหนึ่งอย่างนี้ว่าท่านสมณะสักยะบุตรทั้งหลายฉันอาหารที่ได้มาโดยชอบรมไม่มีโทษขอเชิญท่านทั้งหลายถวายบิณฑบาตแก่สมณะสักยะบุตรทั้งหลายเถิด